จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัตอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันสาคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันมาคบบูชาเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาปฏิบัติ มาศึกษามาบูชาในวันสำคัญในวันนี้ความสำคัญของวันมาฆานั้นก็มีอยู่สประการด้วยกันคือ 1. เป็นวันขึ้นส5บ้าค่ำเดือน3 2. เป็นวันที่มีพระอาหารหันต์ร 1,250 รู ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทั่วทุกสารทิศโดยไม่ได้นัดหมายกันก่อนพระอาหารหันต์ทั้ง1250รูปนี้เป็นพระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุปสมบทให้ 4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานพระโอวาทที่มีชื่อว่า โวาทปาติโมมีแสดงหัวใจของพระพุทธศาสนาคำสอนที่พูุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาค บ, บูชานี้มีอยู่สามประการด้วยกันคือน 1. ให้ละบาปทั้งหลาย 2. ให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ให้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงนี่คือหัวข้อของคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้ในยุคใดสมัยใดทุกๆพระองค์ก็จะสั่งสอนคําสอนทั้งสามนี้ ให้แก่สับโลกเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนยารักษาโรคโรคใจโรคใจคืออะไรก็คือความทุกข์ต่างๆเช่นทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตาย <c oughs> ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าสติปะองอ์มาตรัสรู้มาสั่งสอน ก็จะสอนเหมือนกันหมดเพราะเป็นยารักษาโรคของความทุกข์ใจของสัตว์โลกได้ทุกยุคทุกสมัยเหมือนหมอไม่ทราบว่าจะมีกี่คนก็ตามก็จะมียาชนิดเดียวกันไว้รักษาโรคชนิดเดียวกันไม่ว่าหมอจะอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศอยู่ในเมืองหลวงหรืออยู่ต่างจังหวัด เวลารักษาคนไข้ที่มีโรคเหมือนกันก็จะใช้ยารักษาโรคเหมือนกันฉันใดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาปรากฏในยุคใดสมัยใดคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะส่งสอนเหมือนกันหมดเพราะเป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจของผู้ที่มีความทุกข์นั่นเองดังนั้นผู้ที่มี ความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะน้อมเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วก็จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาซึ่งในสมัยพระพุทธกาลนี้ก็เป็นยุคที่มีพระอาหารหันต์เป็นจานวนมากที่สุด มากกว่ายุคใดๆทั้งหมดพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศพระธรรมคําสอนเพียงเจเดือนแรกของการปร ะ, าประกาศพระธรรมคําสอนคือเริ่มต้นตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปที่เรียกว่าวันอาสาห บ, บูชาเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนนี้ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ และเมื่อได้ประกาศสอนแล้วก็น้อมเอาไปปฏิบัติภายในเจ็ดเดือนคือพอมาถึงวันเปนเดือนสามอย่างวันนี้ก็ปรากฏมีพระอรหันต์สาวก1250รูปได้มารวมกันเพื่อมาเฝ้าพระพุทธเจา้าเพื่อมาแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระคุณอันใหญ่หลวง เพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมาประกาศสอนพระธรรมคำสอนจะไม่มีผู้ใดจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้เลยเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไปจากใจนั่นเองแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนแล้ว ก็มีผู้ที่สามารถที่จะปฏิบัติตามและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เป็นจำนวนมากพระคุณของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกนี้จึงไม่มีพระคุณอันใดที่สามารถเปรียบเทียบได้พระคุณของบิดามารดาของพวกเราถึงแม้จะมีพระคุณอย่างยิ่งอย่างใหญ่หลวงถ้าประการใดก็ตามแต่พระคุณของพระพุทธเจ้านั้น ยังมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าพระคุณของบิดามารดา <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าบิดามารดาให้เราก็เพียงแต่กาเนิด <c oughs> คือให้เราได้มาเกิดในโลกนี้ <c oughs> ได้มีชีวิตอยู่ <c oughs> ได้จเจริญเติบโตได้ทําอะไรต่างๆที่เราอยากจะทากันแต่สิ่งที่บิดามารดาไม่สามารถให้กับเราได้ก็คือ ความทุกข์ความดับทุกข์พวกเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเช่นอย่างที่ได้พูดไว้คือต้องทุกข์กับเรื่องความแก่ต้องทุกข์กับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องทุกข์กับเรื่องของความตายทุกกับเรื่องของการพัดลากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบพ่อแม่ไม่สามารถที่จะทำให้พวกเรานี้ หลุดพ้นจากความทุกเหล่านี้ไปได้เพราะพ่อแม่เองก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองของเขานั้นหลุดพ้นจากความทุกได้เวลาที่เขาแก่เขาก็ทุกเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เขาตายเขาก็ทุกแต่มีคนคนเดียวท่านนั้นในโลกนี้ที่สามารถสอนพวกเราได้คนคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านี่เอง พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากได้สะสมบุญบารมีมาหลายแสนหลายล้านชาติด้วยกันจนในที่สุดบุญบารมีก็สมผลให้พระพุทธองค์ได้ตัดสรตวเป็นพระอาหารหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถหุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มารุมเร้วจิตใจได้ หลังจากที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงนำเอาคำสอนที่สอนวิธีของการหลุดพ้นจากความทุกนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปความจริงในเบื้องต้นนั้นว่าองค์ทรงมีความท้อพระทยไม่มีความปรารถนาที่จะสอนใครเลย เนื่องจากทรงเห็นว่าสิ่งที่จะสอนให้สัตว์โลกนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกไม่ชอบกันไม่เชื่อกันไม่อยากจะทำกันจึงทำไม่จึงทให้ไม่มีความปรารถนาที่อยากจะสอนให้แก่สัตว์โลกแต่ก็มีเท้ามหาพรหมได้มาอาราธนา ขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตากรุณ า, าต่อศว์โลกโดยขอให้ทรงพิจารณาว่าศา์โลกนั้นไม่เหมือนกันทุกคนทุกคนนี้แต่ละคนมีบุญบารมีสะสมมามากน้อยต่างกันมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากน้อยต่างกัน ถ้าพระ อ, องค์ทรงไม่สอนเลยก็จะเป็นการปิดโอกาสของผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะปฏิบัติตามไดพ้พระพุทธ อ, องค์หลังจากได้พิจารณาแล้วก็ทรงเห็นว่าสัตว์ลกนี้ก็เป็นเหมือนบัวสี่เหล่าบัวที่อยู่ใต้น้ำบัวที่อยู่กลางน้ำ บัวที่เปลี่มน้ำและบัวที่อยู่เหนือน้ำบัวที่อยู่เหนือน้ำนี่พอได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ก็จะบานออกมานี่เป็นบัวชนิดแรกเปรียบเหมือนบุคคลที่ได้บงเพ็ญบุญบารมีมาอย่างมากมายแต่ยังไม่เท่าพราะก็จะเจ้ายังไม่สามารถตัดสู้ได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าได้สัมผัสกับพระธรรมคำสอนเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่เป็นบุคคลชนิดกลุ่มหนึ่งคือพวกที่มีสติปัญญามีศีลมีธรรมพวกที่สองพวกบัวปลิมน้ำนี้ก็เป็นพวกที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีลองลงมา ถ้าฟังเทศฟังธรรมเพียงครั้งเดียวยังไม่สามารถที่จะเข้าใจไม่สามารถที่จะบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าได้ฟังหลายๆครั้งฟังบ่อยๆก็จะสามารถหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันคือจะต้องใช้เวลามากหน่อยเหมือนบัวติ่มน้ำที่จะต้องรออีกวันสองวันกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้า แล้วก็บานต่อไปเมื่อได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์บัวพวกที่สามบัวอยู่กลางน้ำอ ย, อยู่ใต้น้ำพวกนี้ก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันด้วยกันกว่าที่จะเจลิงเติบโตและโผล่ขึ้นมาเหนือน้นำได้พวกนี้ก็เป็นพวกที่จะต้องบำเพ็ญบุญบรารมีต่างๆไปก่อน ปฏิบัติตามคำสอยของพรพุทธเจ้าไปก่อนและจะต้องใช้เวลานานกว่าบัวสองชนิดอาจจะบรรลุหลุดพ้นภายในชาตินี้ก็ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีหรือถ้าไม่สามารถก็จะต้องเก็บสะสมไว้เพื่อพบหน้าชาติหน้าต่อไปส่วนบัวชนิดที่4นี้เป็นผู้ที่อยู่ติดกับ อยู่กับโคอยู่กับโคลนกับตมพึ่งกำลังจะเจริญเติบโตบัวพวกนี้เป็นบัวที่จะไม่สามารถเจริญเติบโตโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปก่อนนะก็คือบุคคลที่ไม่มีความสนใจในเรื่องของบาปของบุญในเรื่องของการทำความดีละบา ในเรื่องของการชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของคนงมงายไม่เชื่อว่าตายแล้วจะต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่เชื่อว่าการยืนว่า้ตายเกิดนั้นเกิดจากการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพ่อธรรมธรรสอนของพพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าความทุกข์ที่ตนเองกำลังประสบอยู่นั้น เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็เป็นพวกที่พระพุทธเจ้าจะต้องอชักสพานก็คือไม่สามารถสั่งสอนได้ถ้าเป็นการเทน้ำใส่แก้วน้ำพวกนี้ก็เป็นพวกที่คว่ำแก้วเอาไว้เทน้ำใส่เข้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็จะไม่สามารถเก็บน้ำที่เทเข้าไปในแก้วได้เป็นพวกที่ควา้าหรือเป็นพวกคว้างแก้วหรือเป็นพวกที่หันหลังให้แก่พระศาสนาหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาแล้วพระองค์จึงทรงมุ่งไปหาบัวเหล่าที่หนึ่งก่อนพวกที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทันทีหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรม ก็ทรงมุ่งไปหาภาพปัญจวัคคีซึ่งเป็นผู้ที่เคยเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามาในสมัยที่ทรงบำเพ็ญความเพียรอย่างแก่กล้าคือทรงอดปกายอาหารถึง49วันด้วยกันแต่ทรงเห็นว่าการอดอาหารอย่างเดียวนั้นไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้ เพราะความทุกข์ภายในใจนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่การรับประทานอาหารแต่อยู่ที่ความอยากต่างๆหลังจากทรงเห็นว่าถ้าอดต่อไปก็จะต้องสิ้นทชนอย่างแน่นอนและก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้จึงต้องย้อนกลับมาเสวยพระกายอาหารพระ สาวกทั้งห้าคือพระปัญจวัคคีพอเห็นพระพุทธเจ้าทรงหยุดการอหดทาหารก็เลยทรงคิดว่าพระพุทธเจ้ายอมแพ้ก็เลยเสื่อมศรัทธาเลยปลีกตัวหนีจากพระพุทธเจ้าไปพวกวาสาวกทั้งหลายเหล่านี้เขาก็ได้ปฏิบัติกับพระพุทธเจ้ามาได้รักษาศีลได้สมาธิ แต่สิ่งที่เขาขาดก็คือปัญญาความรู้ที่จะทำให้เขานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นพอพระพุทธเจ้าไปโปรดไปแสดงธรรมครั้งแรกทรงแสดงเรื่องอริยสัจสี่เรื่องของมักแปดพอฟังแล้วหนึ่งในพระตัญจวัคคีก็บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งบรรลุอริยามรรคอริยผลขั้นที่หนึ่ง ได้เป็นพระโสดาบันพะะวกโสดาบันก็คือผู้ที่จะไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายอีกต่อไปพบชาติที่มีเหลืออยู่ก็จะมีไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่ก็คืออนิสงส์จากการที่ได้บังคุณบังเพนบุญบา ร, รมีมาอย่างมากมายพอได้สัมผัสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เกิดความเข้าใจ มีดวมตาเห็นธรรมเห็นว่ามีการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาการเห็นไม่ได้เห็นแบบเห็นเฉยๆอย่างพวกเราพวกเราก็เห็นเฉยๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคนแต่พวกเราไม่ยอมรับความจริงอันนี้ยังกลัวความตายกันอยู่แต่สำหรับพระอาญย์โกนธัญะ หลังจากที่ได้ฟังธรรมของพรพระเจ้าแล้วก็ยอมรับความจริงอันนี้ยอมตายตรงได้ไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตนเองสิ่งที่ตายเป็นเพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟร่างกายของพวกเรานี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่เป็นร่างกายแล้วเราเป็นอะไรเราก็เป็นใจ เราเป็นดวงใจหรือที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณที่เรามาสถิตในร่างกายนี้ในเวลาที่อยู่ในคันของมารดาเวลามารดาตั้งคันเราก็ไปจองร่างกายอันนี้ไว้เหมือนกับเวลาเราไปจองรถยนต์ในโรงงานเวลาเขากำลังผลิตรถยนต์อยู่เราก็ไปซื้อใบจองไว้ว่าจองรถยนต์ไว้หนึ่งคัน ฉันใดร่างกายที่กําลังเจริญเติบโตอยู่ในครันของแม่ก็เป็นร่างกายที่ใจของพวกเราหรือดวงวิญญาณของพวกเราไปครอบครองไปจอหอไว้ดวงวิญญาณของพวกเรามาจากไหนก็มาจากชาติก่อนนั่นเองเวลาที่ร่างกายเก่าของเราตายไปเราก็ทิ้งร่างกายเก่าไปใจของเราหรือดวงวิญญาณของเรา ก็เล่ล่อนไปตามอำ น, นาจของบุญของบาปจนกว่าที่เราจะได้พบกับร่างกายของมนุษย์และมีโอกาสที่เข้าไปจับจองได้เป็นเจ้าของได้พอเราได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วเราก็ยึดติดกับร่างกายนั้นว่าเป็นตัวเราของเราพอคลอดออกมาพ่อแม่ก็สอนว่าเป็นตัวเราของเรา เราก็คิดว่าเป็นตัวเราของเราแต่นี่ไม่ใช่ความจริงเป็นความหลงเพราะว่าเราไม่มีปัญญาไม่มีพลังจิตที่จะเห็นว่าเราเป็นเพียงดวงวิญญาณที่มาครอบครองร่างกายนี้แต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้จเจริญวิปัสสนาได้จะสามารถแยกร่างกายออกจากจิตใจได้ จะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละส่วนเหมือนกับเวลาที่เราเทน้ำออกจากขวดน้ำเวลาน้ำอยู่ในขวดน้ำนี้เราก็มองไม่เห็นเห็นว่าเป็นเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันแต่พอเราเทน้ำออกมาใส่ภาชนะไว้ใส่แก้วไว้เราก็จะเห็นว่าขวดนี้ขวดนี้เป็นพลาสติกส่วนน้ำนี่เป็นน้ำมีคุณสมบั ต, ติต่างกัน เวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็จะแยกใจออกจากกายกายนี้จะเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งใจนี้เป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้คิดเรื่องราวต่างๆเป็นผู้คิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ก่อนที่พวกเราจะนำร่างกายนี้มาเห็นที่นี่ได้ เราต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าวันนี้จะมาวันวันนี้เป็นวันมาค้าบูชาจะมาทำบุญแล้วเราก็สั่งให้ร่างกายพาเรามาดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะไม่กลัวตายเพราะเราไม่ตายเราไม่เคยตายเราเพียงแต่เปลี่ยนร่างกายเหมือนกับที่เราเปลี่ยนรถยนต์หรือเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา นี่เป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมได้สมาธิแล้วพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าถ้าไม่อยากจะทุกกับร่างกายต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นผู้ที่มีความรู้สึก น, นึกคิดเป็นผู้รู้นี้ ไม่ได้เป็นร่างกายพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระพันธะวัคคีก็รับความจริงนี้ได้เห็นความจริงได้อย่างชัดเจนก็เลยปล่อยวางร่างกายได้ไม่กลัวว่าร่างกายจะตายหรือไม่ตายตายเมื่อไหร่ก็ไม่เบือดรอนเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นเองนี่แหละคืออำนาจของพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้า ถ้าผู้ที่มีสติปัญญามีบารมีพอที่จะรับไปพิจารณาได้ก็จะสามารถได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐนี้แต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีบุญบารมีพอฟังแล้วฟังยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าจิตใจนั้นไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับความสงบเท่าที่ควร ผู้ที่จะเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นจะต้องมีจิตใจที่สงบจิตใจที่ปล่อยวางสิ่งต่างๆนี่คือเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนั้นสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ หลังจากที่หลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงแสดงพระธรรมคำสอนอีกครั้งเดียวก็ปรากฏว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้งหก็ได้บรรลุเป็นพออระอรหันต์กันทั้งหมดพร้อมกันเลยนี่เป็นสิ่งที่จะไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนก่อนหน้าที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูปไม่มีใครในโลกนี้ สามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาประกาศมาสอนเท่านั้นก็ปรากฏมีผู้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นจํานวนมากอย่างที่ได้พูดไว้ว่าภายในเพียงเจดเดือนแรกก็มีอย่างน้อยหนึ่รูปแล้วแพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระชนมายุอยู่ถึง80พรรษา ทรงโปรดสัตว์โลกถึง4 5พรรษาด้วยกันก็คิดดูเสร็จว่าจำนวนของผู้ที่สามารถหลุดพ้นได้บรรลุเป็นพระอารหันต์นี้มีจำนวนมากน้อยเพียงหรแล้วมีเพียงครั้งเดียวในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีจะมีจำนวนมากเท่าเทา่ทานี้ได้เพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันไปแล้ว ผู้ที่จะสามารถสั่งสอนได้เหมือนกับพระพุทธเจ้านี้ไม่มีถึงแม้จะเป็นพระอาหารหันต์แต่ความสามารถที่จะสั่งสอนให้ผู้นั้นสามารถเข้าใจและหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นั้นมีไม่เท่ากับพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีความสามารถเป็นอย่างมากเพราะพระสาวกแต่พระองค์นี้ไม่ได้บำเพ็ญบุญบรารมี มาอย่างโชคโชนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญไว้นั่นเองจึงปรากฏจำนวนของผู้ที่บรรลุเป็นพระอารหรนันต์นี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจนมาถึงในสมัยปัจจุบันนี้แทบจะหาไม่ได้เลยหรือมีก็เป็นจำนวนน้อยมากจนเวลาที่ถ้าปรากฏมีข่าวว่าผู้นั้นได้บรรลุเป็นพระอารหรันต์ ก็จะกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าจะมีพระอารหรนันต์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้อีกแล้วแต่ความจริงแล้วพระอารหันต์นี้จะไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลกราบใดถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะการเป็นพระอารหันต์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยแต่อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นดังนั้นพวกเราทุกคนจึงยังมีโอกาสยังมีสิทธิ์ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าพวกเรามีศรัทธาความเชื่ออย่างแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วน้อมนำเอาคำสอนของพอพุทธพธรรมประสงค์นี้มาปฏิบัติอย่างอย่างเต็มที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติได้แล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนเพราะเหตุนั้นเป็นเป็นคู่กับผลแต่ถ้าไม่มีเหตุต่อให้ปรารถนาต่ออยากต่อให้อยากได้มากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะไม่มีวันที่จะได้ผลอย่างที่ต้องการดังนั้นถ้าพวกเราทุกคนเบื่อความเวียนว่ายตายเกิดเบื่อความทุกข์กับความแก่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายกับการที่จะต้องสูญเสียทัดพลาดจากบุคคลหรือสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปก็ขอให้เราน้อมเอาคาสอนสามประการที่ผู้เจ้าทรงสอน ให้ปฏิบัตินี้มาปฏิบัติเธอแล้วรับรองได้ว่าจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปด้วยสิ่งที่ทรงสอนก็คืออะไรก็คือหนึ่งให้ทําบุญ2ให้ละ บ, บาปสาให้ชําระใจด้วยการปฏิบัติธรรม คือนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมและพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาความจริงว่ า, ท, ท, า ท, ท, ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราแต่ให้ความทุกข์กับเราถ้าเราสามารถเห็นความจริงทั้งสามประการนี้ได้ เราก็จะปล่อยวางละความอยากได้อยากมีอยากเป็นและเมื่อเราละความอยากได้ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือสาระเรื่องของวันมาคาบูชาเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะให้เราได้ศึกษาได้เข้าใจถึงความเลิศและประเสริฐของพระพุทธเจ้าของพระ พระธรรมคําสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายว่าท่านเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราที่พึ่งอื่นนั้นไม่สามารถดับความทุกข์ใจเราได้ดับได้อย่างมากก็คือความทุกข์ทางร่างกายเช่นหิวข้าวมีข้าวรับประทานก็หายหิวได้ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมีหมอมียาก็รักษาได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมาณะ เวลาทุกข์ใจนี่ดับไม่ได้บางคนต้องดับด้วยการฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ดับเพราะว่ามันความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์อยู่ที่ใจจะดับได้ก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ชี้ทางก็คือเราต้องปฏิบัติทำทั้งสามข้อที่ท่านทรงสอนไว้คือทาบุญละบาป และชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุงในวันสำคัญในวันนี้ให้ท่านได้น้อมเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปปฏิบัติและความหมดทุกข์การสิ้นสุดแห่งการเวทเวียนไหวตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเผ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ